พระบัญญัติพึ่งทำความสำเนียกว่าเราจะไม่ถ่ายโจระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุณีชพขัขีจบ